بسم الله الرحمن ا ل رب ح الحمد ي م لله ر العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله نالين ع ظ ي م أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله اللهم صل و ص ل م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن وله ا إلى يوم الدين وسلّم تسليم ك ث ي ر أم لا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا ت ْ ف ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تعلم هكين ر ับบ ah ิษฐ์เราลี ي ัตย์ดีวยสิริลีอัมรีวะผลอั ي ดะตันมิ ل ิสันยับกหูก็ลีอัสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลบรักะตหลังจากที่ได้สารเสวยอัลลอฮฺตะลาแลขพรแกท่านนบีสุลต์ละมเลนะครับวันนี้เราก็มาสู่รายการอันอุคุอานเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เราอยู่ในส ah ุราห์อัตโตบะนะครับอายะที่เราจะอ่านวันนี้คืออายะที่หกิบเและ68นะครับเราอ่าน2อายะนะครับอายันสั้นแล้วพี่น้องดูดูตามไปก่อนนะครับอาลลอฮุดุเลลาฮินีในชัยทอนิรรดจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิราะซี المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون ب أ د ِ ي ه م نسوا الله فنسياهم إن المنافقين หายเลยเดี๋ยวๆดูจากหนังสือดีกว่านะดูทีนะครับดูดูจากหนังสือก็ได้นะครับเดี๋ยวพอดีมันมีปัญหาทางที่หนึ่งหนึ่งนิดนะครับดูอีกที أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس اللّه فنس يهم. إ ِ ن ّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَلَى اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ و َ ا ل ْ ك ُ ف َّ ا ر َ ن َ ا ر َ ج َ ه َ ن َّ م َ ا خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ ح َ ص ْ ب ُ ه ُ م ْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ โมตีเรามาดูหลักการอ่านนิดนะครับอัลมูเนฟิกูนะอัลนะเราการออกเสียงตัวรามนะครับการออกเสียงตัวรามก็ต้องยกลิ้นนะครับกระดกลิ้นขึ้นมาอัลอัลถ้าลิ้นไม่กระดกเสียงลามจะไม่ออกนะครับอ่าลิ้นมาที่เพดานนะครับอัลนะอัลมูเนหน้าเนะี่เราจะเห็นอลิบเล็กๆอยู่นะครับนะอยู่บนตัวนูนอ่า เราเรียกว่าอตัวนี้มัด ต, รตรัวีอันนีนะครับอ่ า, อานสองหอ้เราแกะนะครับอัลมูเนฟิกูนอนูก็สองหเรากะนะครับวาสุกูนนะก่อนหน้าวาสุมิตรมะวลวัลข้อออกเสียงที่ลามนะครับที่บรรลิบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พัตาหะนะครับเป็นตัวซอดหมายถึงวัสดุก็คืออ่านผ่านออกเสียงที่ลามวัลออกเสียงลามยังลิ้นนะครับ มูแนฟีกอตูนาก็สองหัวกระก็ก็สองหัวกระกานะครับนี้ลิบเล็กๆอยู่เบะเบะตัวออ้นเวลาออกเสียงให้มันนุ่มนะครับบะอย่านว่าบะแต่ว่าบะบะดูฮุมตัวนี้มีมสกุลนะครับหลังมีมตัวมีมเราเรียกว่าอีโดโกรมุตามาสีไลนี่ตัวนี้เรามีกุญแจนะครับเราสังเกตตัวมีมชิดด้ก็ได้แต่มีชิด้าต้องมีกุญแจนะครับบะดูฮุมม เบ้าตรงนี้นะครับนุนสุกูลหลังนุนมีตัวเบ้าเราเปลี่ยนจากเสียงนุนสุกูลให้เป็นเสียงมิมนะครับเราเรียก ว, ว่าอิกลักษนะ อ, อ่านว่ามิมเบ้ามิมเบ้านะเรามีกุญแจด้วยนะครับยะยะฮันซาเราออกเสียงให้มันแข็งยให้มันรุมนะครับยะยะยะมูรูเนบิล มุงเกริมุ ง, มงนุนสุกูลลังนุนมีตัวแกาฟเราสังเกตว่านุนเราจะเห็นสุกูลนะครับในรัสอุสมานีนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ออกเสียงนุนเต็มเต็มเราออกเสียงนุนควบกล้ากับตัวกรบการแต่ควบกล้าเสียงได้ก็ต้องใช้เวลาสองนาทนะครับมิลมุงเกรมุงเกริวายันยันนุนสุกูลเราเห็นนุนชิด สุกชัดเจนนะครับบนตัวนูนอย่างนี้เราก็ออกเสียงนูนในชัดเจนนะครับย็นออกเสียงนูนในชัดเจนเวียนฮวฮวตัวเฮะเอาเสียงให้ใหญ่นะครับเฮวนาอานิลอานิลเอาเสียงที่ลามนะครับอาริไม่ออกเสียงอาริบผ่านนะวัสอานิลมมตัวอินสุกูลออกเสียงให้มันนุ่มมะมะยันว่ามะอวมะมะรูฟิวยะก แยกเกาะตัวกรอบเนี่เป็นตรนกรแล้วออกเสียงสะท้อนนะครับวายะเกาะบีดูดูก็อ่านสองครั้งนะวาสุกูลวายะเกาะบีดูนาไอดิยะหุมหุมนะที่มีสุกูลข้างบนมียิมยิมนี่เป็นอะไรนั้เป็นเครื่องหมายนะครับว่ากรอบว่ากอบแยกอิสนะเราก็หยุดตรง น, นี้นะครับถ้าเราไม่หยุดก็ได้นะแต่ว่าอนุ ญ, ญาตให้หยุดนะครับ นาซุลลอ์นาซุลลอ์ออกเสียงที่ตัวลามนะครับนาซุลออกเสียงที่ลามแล้วก็รับสุญญาลแล้วเมื่อมีดมมะอยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องออกเสียงให้นานาซุลลอ์อ่านว่านาซุลลลนะครับนาซุลลอฮฟ า, านาซียะฮุมอนาซียะฮุมข้างบนมีกอบลามนะกอบลามนะอันนี้เป็น าเรารว่าอฟเอาลานะหยุดดีกว่านะเราก็จะหยุดนะครับอ่อินนาอะนุนชิดดาดะหรื อ, อ, อนุนชดดาเ น, น, นี่ยก็ต้องมีกุญนะอินลออกเสียงที่ลามนะครับอินลมนาฟิกีนะฮมุลฟฮมุลออกเสียงที่ลามเช่นเดียวกันนะครับฮูมุลฟาซิคูลฟะก็ออกเสียงสองขั้กรอ่าที่ตัวฟานี่เราเห็น อาลิปเล็กๆอยู่นะครับออกเสียงสองฮาโลการ์เป็นมัดตัวเบี้ยฟาซีกูนกูนเนี่ยเป็นมัดอาริลสุกูนนะครับเราจะอ่าน4ี่ฮารการ์นะครับอ่านสองก็ได้สี่ก็ได้หกก็ได้เราจะอ่านสี่กลางนะครับลองอ่านอัยัดนี้กันนะครับอัลฮุบิลเลาะหยิมีเนชัยอรโรี อัลมุน افقون والمنافقات بعضهم من بعض ย่ ن มุรุนบิลมุนคาริ์และِันห์َุนอาล์ล ن َารูฟีและยัควบดูนั ي ดิยัม ดีไม่ไม่ต้องยาวนะครับดีไ ม, มไม่มีสุอยะไม่มีสุขุลไม่มีสิทิ์ใดอีกทีนะครับยะมูรูนาบิลมุนคาริวะยัะฮวนาอานิมะรูฟิวยะกาบิดูนาเอดียาห์ม น้าซุลลอฮ์ฟาเนศีย์ฮุมอินนั้ลมนาฟติ้นฮุมุลฟาซิกุนดูต่ออีกอายัดนะครับ ว่าอัลลอฮาอั l ลอฮตฮอยู่หน้ารับสัญญาล่ก็ต้องอ่านรับสัญญาล่ที่คาว่า a ล l a h นั่นนะว่าอัลลอฮ์อย่างว่าอัลนะครับว่าอลลอุลฮุลอกเสียงที่ลนะครับอลิเนี่ยไม่ออกเสียงว่ a l l a h อฮุนะก็สองหัวกะนะครับอิลิเล็กๆอยู่ โมนาฟีกีนะตีก็สองคารกาณ์นะมียาสุกูลนะข้างหลังยะนี่มีกัศระนะครับวลวันออกเสียงทิดวลามวลโมนาอ่านก็เช่นเดียวกันนะครับมีลิปเล็กๆอยู่นะครับออกเสียงสองคารกก์กาวลโมนาฟีกอตีก็ก็ขออกเสียงสองคารกาณ์นะมีอลิปเล็กๆอยู่นะครับวลมูนาฟีกอตีวัลกุฟมากุฟ อต่ฟ้ากุฟเวลาออกเสียงฟ้ามันมีพ่นมีมีลำ อ, อกด้วยนะครับวันกุฟฟารนาร์เฮันฮันนูมุชัดด้รินสูอันนี้สับดูนี่เอนวงนะครับยจฮันนาโมคอคอก็สองฮรอกามีลิบเล็กอยู่นะครับคอลีดีนาฟีฮะอาที่ที่ข้างบนตัวฮะเนี่ยมีจิม มีรฮรูบยิมเล็กๆอยู่นี่หมายถึงว่าวอกยาอิสอนุญาตให้หยุดเครืงหมายเื่งหมาอนุญาตนะเครื่องหมายหยุดนะเคืองหมายบอกนะอนุญาตให้หยุดเียสบกกูฮูม <c oughs> อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะมียิมอยู่ก็คือวอกวยาอิสมือนกันจะหยุดก็ได้เหมือนกันนะครับวัลาอานาฮูมุลลอันนี้ข้างบนมีซอกับรามนะซอสามนี่หมายถึงวัซออลลาหมายถึงถ้าจะผ่านก็ดีกว่านะครับนะ แล้วก็ผ่านนะครับเพราะมันสั้นนะครับวะลาหุมุลลอหุมวะลาหุมฮุมฮุมมีมสุกูลเราเห็นสุกูลในตัวมีมชัดเจนนะครับอันนี้ออกเสียงมีมให้ชัดเจนเป็นอินทรชัยพาวีวะลาหุมอาลาบุมอันนี้ตันวีนนะดมะตันวีนหลังหลังตันวีนมีตัวมีมนะครับเราสังเกตที่ดมะตันวีนนะครับมันจะอยู่เยิ้งเยิ้งกันมันมันไม่หัวชนกันนะครับ แบบนี้มายเสียงออกเสียงอตัวหลังหรือออกเสียงควบกลัมนะตรงนี้ออกเสียงตัวหลังหรือออกเสียงที่มีม น, นะครับไม่ออกเสียงนุ่นนะครับนะนั้นต้องอ่านว่าบุ้มไม่ใช่บุญเอแล้วก็มีคุณนะอ๋อเบุมมูกิมกิมก็เป็นมั่อาริยสุกูณนะเราจะอ่านทศเสียออกกันนะครับ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي ้ให้สดุห์มและล عن ห์มอัล ه อฮฺและห์ม عذاب มรุ่งอิมลองอ่านอีกครั้งหนะ่ง หลายครั้งนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องนะครับต่อไปเรามาดูความหมายของอายัดสนิทนะครับเรายังอยู่ในเรื่องเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องเรื่องบรรดาบุนาฟีกูลนะครับบรรดาบรนาฟีกูลนะซึ่งเรากล่าวถึงลักษณะของบรรดาบุนาฟีกูลนะที่พวกเขาสับกราบแล้วก็อหน้าไหวหลังหลอกนะแล้วก็พยายามที่จะอแสดงตนว่าพวกเขาเนี่ยนะนะไม่ได้ทําในสิ่งที่ ที่เป็นการเยอะเย่อเอาล็อเยอะเย่อเอซูลนะทางทที่พวกเขากระทำและพวกเขาพยายามที่จะสาบานนะเพื่อที่จะแก้ตัวอันนี้คือลักษณะของมุนาฟีคีนหรือมุนาฟีคูลนะครับตั้งแต่สมัยอดีตนจนถึงปัจจุบันนะครับนะเดี๋ยวนี้เรามาดูอายะ ต, ต, ต่อไปอล็อกกราบถึงมุนาฟีคูลยังไงครับวันมุนาฟีกูนะวันมุนาฟีกอดนะอัลมุนาฟีกูนะวันมูนาฟีกอดโทษคร นาอัลมูนาฟิกูนนาบรรดามูนาฟิกที่เป็นผู้ชายวันมูนาฟิกดและบรรดามูนาฟิกที่เป็นผู้หญิงบ uh um, ่าวตูฮุมมินบ่าวบินส่วนหนึ่งของพวกเขาก็มาจากอีกส่วนหนึ่งมาถึงพวกเขาเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะคือเขก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะผู้ชายที่เป็นมูนาฟิกก็อยู่กับบรรดาผู้หญิงที่เป็นมูนาฟิกบรรดาผู้หญิงที่เป็นมูนาฟิกก็ก็อยู่กับกลุ่มผู้หญิงชายที่เป็นมูนาฟิกนะคือเขาไม่ได้ ยากันนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะมีลักษณะนิสัยเหมือนกันนะครับอะไรที่เขาทําที่เหมือนกันยะมูรูนาบินมุงกัดสิ่งพวกเขาทําก็คือยะมูรุนาบินมุงกัดพวกเขากําชับหรือใช้กันในเรื่องที่เป็นมุงกัดทรงข้ามกันดาผู้ศรัทธาใช่ไหมครับผู้ศรัทธาอนี้ครับยะมูรุนาบินมารุใช้หรือกําชับกันในสิ่งที่เป็นความดีแต่ว่าบรรดามุนาฟิกินจะใช้กันในในสิ่งที่เป็นมุงกัดความชั่วนะ เห็นคุณทําความเชื่อไม่ใช่ว่าจะห้ามกับอะไรครับกับประยุทธ์ประยุแธ์ให้กระทำนะไม่ใช่ว่าจะห้ามนะวายันเทวุนาดินมารูปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ห้ามปรามสิ่งที่เป็นความดีนะความดีแทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนกลับไปห้ามปรามนี่คือลักษณะของบรรดามุนาฟิกีนะลลนะวันหลังเยอสปินลานะอย่าให้มีในกลุ่มพวกเรานะครับวายยอบเบูนะไอดียหุมแล้วก็อี ก, อกลักษณะหนึ่งก็คือยาบเบียูนะไอเดียหุมก็คือ กำมือไม่ยอมแผ่มือหมายถึงอะไร you, ครับอันนี้เป็นกีนไกยะคาว่ากีนไกยะคือคําพูดที่เป็นไกยะเขาบอกกำมือคือไม่ยอมแผ่หมายถึงอะไรครับไม่ยอมบริจาคในอุนทางของลอตตาลาไม่ยอมใช้จ่ายในอนทางของอัลลอฮฺตาลานะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช้จ่ายนะเขาใช้จ่ายเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮฺในอุนทางอลอตตาลาแล้วก็ไม่ไม่ใช้จ่ายแต่เรื่องอื่นเรื่องเชตอนนี้ใช้จ่ายได้เยอะล่ะนาซุลลอฮฺพานัสยาฮุมนะพวกเขาลืมอัลลอฮฺ ดังนั้นพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาคําว่าทรงลืมในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้เพร า, เาะเลาลืมนะครับเาลาไม่ลืมแต่ว่าทรงไปบัตรกับ พ, พวกเขาเยี่ยงคนที่ถูกลืมทรงไปบัตรกับพวกเขาเยี่ยงคนที่ถูกลืมเดี๋ยวเราเราอ่านคําอธิบายของอิหมานุกษีนะครับอินนันโมนาฟิกีนะฮุมุลฟาซีกูลและในสุดอลัลลอฮ์ก็ออกย้าว่าแท้จริงบรรดาโมนาฟิกพวกเขาคือพวกฟาซีกูลฟาซิกูลคือพวกที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์สุบานตาลา ว่าอัลลอฮุณมุนาฟิกีนะวันมุนาฟิกอดนะอัลลอฮ์ทรงสัญญาสัญญาบรรดามุนาสัญญากับบรรดามุนาฟิกีและมุนาฟิกอดอลัลลอฮ์สัญญาเลยครับพวกเขาวันกุฟฟาตและบรรดาผู้อสลด้วยนะครับกุฟฟาตมาจากกาเฟตนะครับหน้ารอยยันนำข้อดีดีนะพี่ฮะสิ่งที่อลัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้กับพวกเขาก็คือหน้ารอยยันนำอะไรนรกยันนำขคอดีดีนะพี่ฮะพวกเขาอยู่ในนั้นชั่วนิรัน เฮียฮัสบูฮุมมันมันเพียงพอแล้วสาหรับพวกเขาหมายถึงนรกนั่นแหละเพียงพอแล้วสำหรับเขาอย่างอื่นไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีอะไรแล้วนะสำหรับเขานารกพอนะถ้าเราพูดภาษาบ้านๆว่ละอหนาหูมุลลอและอัลลอฮ์ทรงสาดแช่งพวกเขาหมายถึงว่าให้พวกเขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ว่ะละฮุมอัลาบุมมุกีมแล้วก็สาหรับพวกเขาคือการลงโทษที่มุกีมมุกีมก็คือ ท, ที่ที่อยู่กับเขาตลอดไป ไม่ไม่มีวันที่จะจากพวกเขาไปเราดูคำอธิบายของอิหม่ามอิมนุกาซีรอฮมะฮุลลอท่านบอกว่ายากูลูตอาอัลละฮอได้ทรงตัดมุ่งกิรนอัลมุนาฟิกีนอัลลาีนะฮุมอลาฮิลาฟีสิลาสฟาติมุมินินคำว่ามุงกิรนในทีนี้หมายถึงว่าเ่าในลักษณะของอคือไม่ยอมรับในการการะทำของพวกเขา ในลักษณะของพวกเขาที่เขามีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับบรรดาผู้ศรัทธาตรงกันข้ามกับบรรดาผู้ศรัทธาตรงข้ามยังไงวัลลัมมาการันมุมีนุนยะมูรุนนบินมะรุฟเวียนเฮาินมุงก็บนะเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นผู้ที่กำจัดความดีนะหรือสั่งใช้กระทำความดีและข้ามรลำความชั่วการอาหะอุลแอีกพวกมุนาฟิกินก็ทำตรงกันข้ามทำยังไงยะมูรุนนบินมุงก็บ นะกำชับหรือว่าใช้กันในเรื่องของความชั่ววายันเท่าในนินมารูแล้วก็ห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความดีวายกบิรุนะไอเดียหุม่มนะแล้วก็กํามือของพวกเขาคือไม่ยอมบริจาคในขนทางของลาตตาลานะท่านอธิบายว่าบิรุนะอเดยุมไออันอันินอิมฟาคีฟีซาบินละเขากํามือไม่ยอมแพ่มื อ, อเพื่อการบริจาคในขนทางของลาตตาลานั่นคือลักษณะของมือแฟริกีนดังนั้น อะไรเกิดขึ้นใ น, น, น, นพวกเขานัสุลลอห์นัสูลลอห์หมายถึงนัสูดิกรลลอห์พวกเขาไม่รำลึกถึงอ AH. ัลลอฮ์เขพวกเขาลืมอัลลอห์หมาถึงเขาไม่ไม่รำลึกถึง AH. าาอัลลอห์ฟาเนซียาฮุมดังนั้นพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาหมายถึงไอหมายถึงว่าอามาลาฮุมหัวอามาลาตะมันนาซียาฮุมอัออะลลอฮ์ไปบัติกับพวกเขาเหมือนกับการไปบัติของผู้ที่ หลงลืมผู้ที่ถูกลืมนะคือไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจไม่ให้ความเมตต า, ไ ม, ยายไม่ยไม่เยใสยพวกเขาเลยนะครับ ก, รกาโกวิฮีตาลา่ท่านบอกว่ า, าเช่นเดียวกับดำดัดลคารัตลาในองค์การอื่นที่เราทรงจัดว่าวัติลยามะนันซาคุมกามานาซีตุมลิกอายุมิคุมาจาและมีการกล่าวแก่บรรดาผู้ไปสิทว่านะ วันนี้อันยอมาวันนี้นันซาคุมเราจะลืมพวกเจ้ามาถึงอัลลอฮฺตะลาตรงแต่ว่าพระองค์จะทรงลืมพวกเขาคือไปแบดพวกเขามาคนที่ถูกลืมกามานาซีกามานาซีตุม่มลีคออายุมีคุมฮาจะเหมือนกับที่พวกเจ้าลืมว่าพวกเจ้าจะต้องมาพบกับวันของพวกเจ้าในวันนี้หมายถึงวันเคียรมนั้คือผู้คนมูนาติกหรือผู้ไปเศษเหล่านี้ยเขาก็ลืมว่าเขาจะต้องเจอัลลอฮฺตะลา เขาจะต้องถูกสอบสวนเขาจะต้องไปรับผิดชอบในพฤติกรรมหรือการกระทําของพวกเขาก็าลืมหมดเลยนะจนไปถึงวันกคลียแมนเขาก็ถูกเตือนะลอร์ดาล่าก็ถูกกล่าวกับพวกเขาว่านะวันนี้อลอตาลาทรงลืมพวกเขาเหมือนกับที่พวกเขาลืมนะที่จะลืมการพบพระองค์นะหรือลืมการพบวันที่พระองค์ทรงสัญญาไว้คือวันเคลียแมนนะวันนี้นะในสวรรค์อันยาสาีนะครับ อินนัมูนาฟิกีนอาหมุลฟาซิกูลและตอนท้ายขออายัดเราสง่งเสร็จว่าแท้จริงบรรดามูนาฟิกีนนั้นพวกเขาเป็นผู้ที่ฟาซิกฟาซิกก็คืคอผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งของลอตเตอล า, าหมายถึงคําว่าฝา่าฝืนในที่นี้หมายถึงอัลคอร์ยูนะอันตอริกลักฟาซิกในนี้หมายถึงเขาออกจากหนทางที่ถูกต้องหนทางแห่งสัจธรรมนะเขาไม่อยู่บนหนทางแห่งสัจธรรมเขาออกจากเส้นทางอันนั้นอันดาคิลูนาฟีตอริกรลอเรน นะแล้วก็ออกไปจากหนทางแห่งศาสนาธรรมแล้วไปสูนะ่เข้าไปอยู่ในหนทางความหลงดอนแรกหรือดอนแรกละ่ะความหลงนะออกจากแนวทางที่ถูกต้องไปสู่แนวทางที่หลงนะทําไมละ่ะก็เพราะวันดามุนาฟิกินจริงๆแล้วเขาก็ได้รับการเรียนรู้จากท่านนาบีใช่ไหมครับนะแล้วเขาก็บอกเขาเป็นมุสลิมนะเขากล่าวคําปฏิญาณนะเขากล่าวคําชาดนะเสร็จแล้ว แทนที่เขาจะยึดมั่นในสิ่งที่เขาปฏิญาณเขาจะซื่อสัตย์กับอเล็กกับราซูลไม่เขากลับไปแบบนในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเขาออกจากทางที่เที่ยงตรงที่เขาเคยปฏิญาณไปสู่ทางว่าแหลล่ะทางที่หลงนะเวลา อ, อียะบินละเพราะฉะนั้นนะอะไรเกิดขึ้นอายะ ต, ต, ต่อไปนะครับ อัลลอฮุลอาลัละัลลอฮมอัลลอฮมรัมุะซลตินอยอตบเอ่อเมื่อบันดามุนาฟิกีนนะครับพวกเขาเป็นฟาซิกูลพวกที่ออกจาก หนทางที่เที่ยงตรงหนทางสัจธรรมไปสู่หนทางตอนแรละทางที่หลงนะครับอะไรเกิดขึ้นเราอายัด ต, ต่อไปอลัลลอฮฺตรัสว่าอดัะะลลอฮหุนมูนาฟิกีนวันมูนาฟิกอดอัลลอฮฺแตลาทรงสัญญานะแก่บรรดาผู้ที่เป็นมูนาฟิกที่เป็นผู้ชายและผู้เป็นมูนาฟิกหรือผู้กับกอกที่เป็นผู้หญิงวันกุฟฟาและบรรดาผู้ไปเสดด้วยสัญญาใด น, น่ารอจะหันนำว่าพวกเขาจะรับการตอบแทนด้วยนะรกจะหันนำ ท่านอิมัมมก็คิดว่าไ อ, อ้阿拉ฮัสสุเนาะอัลละดีザคารุคีเราอันหุมนะ เ, เนื่องจากเขาปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับบรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติพฤติกรรมของพวกเข า, ขาเนี่ยตรงข้ามกับสิ่งที่เรารับสั่งให้พวกเรากระทำดฉะนั้นเขาจึงต้องได้รับการลงโทษหรือได้รับสัญญาการลงโทษอย่ารับสาระด้วยนรกอย่าหันนำขอ้อดีนะฟีฮะ นะข้อลีดีนนะพี่ฮะเขาอยู่ในนั้นเชื่อในนั้นหมายถึงว่ามากรีซี่นะพี่ฮะมุคคอนลีดินพวกเขาอยู่ในนั้นเชื่อในนั้นฮุมวันกุฟฟารนะบรรดามุนาฟิกูลและบรรดากุฟฟารด้วยนะครับเฮียฮัสบุฮุมกาฮัสบุฮุมไอกีฟ้ายาตุฮุมฟิลออร์แนะนรกยันนำนั้นมันเพียงพอนะพวกเขาหมายถึงเพียงพอนะพวกเขาในการลงโทษไม่ใช่เพียงพอในการที่จะเป็นที่พำหนักที่อยู่ที่ดีแต่เป็นที่เลวร้ยรายเป็นที่ถูกลงโทษ เวลาอาณาหุมลลอและอัลลอฮ์ทรงสแจ้งพวกเขาหมายถึงตรอดตรอดไดหุมวละอาบะอัด้หุมนะพระองค์ทรงขับไลพ่พวกเขาให้พวกเขาห่างไกลและเพราะให้พวกเขาห่างไกลห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์นะเพราะฉนั้นคนเหล่านี้จะไม่ไม่ไมพบความเมตตาของอัลลอฮ์ตลอดไป น, นะเวลาอัยยะสบิน ล, ล, ละเวลาหุมมาจะโมุกตีมและสรารพวกเขาเพการลงโทษที่มุกตีมมุกีมมันคือที่ที่อยู่ตลอดก็โมกีมม ม, มซาสิด นะมูซาผิดคนเดินทางนะีมุกีมั น, นคอนที่อยู่กับที่นะก็ความหมายก็ใกล้เคียงกันมุกิมหมายถึงอยู่ตลอดนะไม่มีคําว่าหยุดยั้งจากการถูกลงโทษนะว่ารอเยสุบินเลยนี่คื อ, อโทษของบรรดาผู้ที่ขับขอกและบรรดาผู้ที่ไปเศษอัลลอฮฺประเสริฐละซูล น, นะอ่าอายัดสองอายัดนี้นะครับนะก็กล่าวถึง อายัดแรกก็เกี่ยวกับลักษณะของบรรดาผู้เผยแผ่ผู้กับกรอกท่ามูนาฟิกีนผู้กับกรกอกซึ่งแตกต่างจากบรรดาผู้ศรัทธาอย่างสิ่งเชิงทั้งทั้ ง, งที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ที่บระกาศตนว่าเป็นผู้ศัทธาต่อลอสตาตอร ส, สูลนะแต่กลุ่มผู้ศรัทธานั้นพฤติกรรมของเขา ไปอีกรูปแบบหนึ่งพฤติกรรมของบรรดามุนลาพิกินนั้นไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เรากล่าวถึงในตอนนี้ก็คือเรื่องของ เ, อเรื่องของบรรดาผู้ศรัทธาที่พวกเขากำชับหรือเรียกร้องกันให้กระทําในสิ่งที่เป็นความดีแต่ในขณะเดียวกันบรรดามุนลาพิกินก็กำชับเรียกร้องกันใช้กันสั่งกันให้กระทําความชั่วสั่งเสียกันเลยบางครั้งสั่งลูกสั่งหลานให้ทําในสิ่งที่เป็นความชั่วสั่งพรกพวก อย่าให้เรายอมรับสัตธรรมอย่าเรายอมรับความจริงอันนี้คือลักษณะของบรรดามุนาฟิกินขณะที่บรรดาผูา้ศนระัทธานยันเข้านาะนินมุงขัดห้ามปลามความชั่วนะไม่ให้ลูกหลานไม่ให้พระควบไม่ให้ตีมงานกรนะทั่งแต่มุนาฟิกินกับอะไรครับเอ่อย่ามูรูนาบินมุงขัดนะสนุเสริมให้กระทําความชั่วอันนี้คือลักษณะของมุนาฟิกินที่รเราจะต้องอะไรครับจะต้องห่างไกลแล้วก็อยา่ามูรูนาอเดียหุมนี่ก็เป็น อีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้ศรัทธาจะใช้จ่ายทรัพย์สินในหุ่นทางลอตเตอรีาโดยไม่เสียดายมือของเขาแผ่พร้อมที่จะบริจาคเพื่อลอตเตอรี่รื่นในหุ่นทางลอตเตอรี่แต่มุนาริกินนั้นจะกำมือแน่นนะถ้าในเรื่องของอลอในเรื่องที่เป็นความดีไม่ยอมบริจาคไม่ยอมใช้จ่ายแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องของเชตตอนทั้งหลายเนี่ยนะใจถึงใจใจถึงนะครับใจถึงใช่ไหมครับบริจาคใช้จ่ายจนหมด ไม่ไม่เสียดายแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยแล้วก็มาร่างล่าวยคนควา ง, า ง, วางด้วยว่าเราได้ใช้จ่ายไปเท่านั้นเทาน่านี้ในวันต่างของเชตร์ตนมันหลายเยอะุบินละนะมันมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเมื่ออย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้นะเราจึงจึงจึงสัตว์ว่าบรรดามุนาฟิกิน <laughs> คือพวกฟาซิกอ่านะพวกที่ออกจากสัจธรรมแล้วก็ไปสู่แนวทางบัลลและนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราสัญญาพวกเขานะไม่ว่าจะเป็น มุณาพิทจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็บรรดาผู้ไปเศษด้วยนะก็คือการลงโทษ ด, ด้วยควยในรกที่พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นชั่วนิรันต์ก็ขอตอบตาให้พวกเราได้ห่างไกลจากลักษณะของมุณาพิกีนแล้วก็ห่างไกลจากการเป็นผู้ไปเศษนะนการพิธีนเรืร่องลักษณะของการพิธีนด้วยไม่มหมิ่นจะรบบวนอะไรนี้ครับเออก็ จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่มันน่าสงสัยนะเพราะชัดเจนหมดอยัด2องอายัด น, นี้นะครับหรือเคยมีอะไรที่สงสัยหรือไม่เข้าใจในความหมายครับถ้ามันชัดเจนหรือไม่มีอะไรสงสัยวันนี้นะครับเราก็ขับไปอ่านใหม่นะครับถ้ามีอะไรที่มีความสงสัยในในปัญหาในเรื่องของความหมายหรือความไม่เข้าใจในคาําอธิบายอย่างไรเราก็มาคุยกันได้นะครับหลังจาก นี้นะหรือว่าในในการพบปะกครั้งต่อไปสำหรับนี้ก็ขอต่อตาให้พระองค์ได้ทรงให้เราเห็นสิ่งถูกต้องเป็นถูกต้องแล้วเอาไปปฏิบัติเห็นสิ่งปิดพลาดเป็นิดพลาดแล้วห่างไกลด้วยอะดรนาลีนรบบนอลเลินรับบนลาตัวอาคิดนาอินนาซีนะเอาอัตาะนารบบันละตัวอาคิดนะอินนัสีนะเอาอัตาะนะรับบันละตัวอาคิดนะอินนัสีนะเอาอัตาะนะรับบันละตัวอาคัดนะอินนัสีนะเอาอัตาิน ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذم النار وصل الله على نبينا محمد ولا ع ل ه و ص ح ب ت ه ا ج م ع ي ن سبحان ربك ربنا عسير ما ي س ف و ن وسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته